ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาโปรดอุบาสกอุบาสิกาชาวตำบลบ้านปาตาลิอา น, นิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลมีห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นไฉนคนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ย่อมได้กล่องโพคศัพท์ใหญ่หลวงเพราะเหตุแห่งความไม่ประมาทนี้เป็นอา น, นิสงส์ข้อที่หนึ่งชื่อเสียงอันดีงามของคนมีศีลถึง พร้อมด้วยศีลย่อมเฟื่องฟ้งไปนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สองคนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเข้าไปหาบริษัทใดๆเช่นคติยะบ ร, ริรบรษัทพรหมนเบริษัทคาบอดีบ ร, ริบรษัทสมนเบริษัทย่อมเป็นผู้กล้ากล้าไม่ขว่วยเขินเข้าไปหาบริษัทนั้นๆนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สามคนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมไม่หลงทำกาละ นี้เป็นอนิสง์ข้อที่สี่คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอนิสง์ข้อที่ห้า